อันนี้ก็เป็นข้อความเกี่ยวกับว่ารายละเอียดในการโปรดอะไรโปรดใครโชติปาระมานพ้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเพิ่มเติมว่าโชติปาละมานพุนั้นอ่ะพอบวชแล้วก็ได้กระทำอย่างไรนะก็หมายความว่าท่านทำอย่างที่พระโพธิสัตว์เขาจะพึงทำกันท่านปฏิบัติในข้อปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถามว่าเป็นอย่างไรบอกว่าธรรมดาหรือปกติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะย่อมบัปรปชาในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายก็แลครันบวชแล้วย่อมไม่เป็นผู้มีอันเขาอ่ามีอันเขาตกดุดสัตว์นอกนี้เนี่ยนะแต่ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทิศีลบวชแล้วรักษาศีลเป็นอย่างดีเล่าเรียนพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกสมาทานทุดงสิบามเข้าป่าบาเพ็ญ คตวัดและปัจจาคตาวัดกระทําสมณะธรรมเจริญวิปัสนาจนถึงอนุโลมมายานคือสังขารูปเปกขายานแล้วก็หยุดไม่กระทําความพยายามเพื่อบรรลุมักผลต่อไปเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยเจริญวิปัสนาเกือบได้โสดาปติมักแล้วก็เลิกนะนะเกือบได้นะเอาแค่เกือบเพราะถ้าได้ก็ไม่ใช่สาวกนะน ะ, นะขออภัยถ้าได้ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงให้เกือบได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็เลิกนะน ะ, นะนะ มันก็เล่าท่านแตกฉานทั้งพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระโชติปาละมานพนั้นแตกฉานพระไตรปิฎกมากแล้วก็ช่วยบำเพ็ญกิจเหล่าใดที่ควรกระทาคือการกล่าวธรรมเป็นต้นท่านก็กระทำอย่างเต็มที่เนี่ยนะส่วนรายละเอียดในพุทธวงศ์เนี่ยนะมัทุรัตถาวิลาสีอัตรกรถาพุทธวงศ์นะว่า ถอยอทว น, ท, วนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเมื่อพระศาสนาของพระองค์อันตรธานไปแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งว่าศาสนาพระพุทธเจ้าพระนาศาสนาพุทธเนี่ยนะในกัปนี้มีทั้งหมดห 5, 5้องค์หรือว่ามีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกห้าครั้งครั้งที่1ก็คือในสมัยศาสนา พ, พระพุทธเจ้าพระนามว่าค ก, กุสันทะสมัยที่สององค์ที่สองก็คือ โกนาคมณะองค์ที่สามก็คือพระกัสสปะที่กำลังพูดถึงองค์ที่สี่ก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันองค์ต่อไปในอนาคตก็พระเมตยะเนี่ยนะทีนี้เมื่อผ่านาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งผ่านไปพระพุทธเจ้าองค์ที่สองก็เกิดขึ้นหมดอายุาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ที่สองผ่านไป ศาสนาก็อันตรทานสัตว์ที่มีอายุสามหมื่นปีก็เสื่อมลดลงโดยลำดับจนถึงอายุประมาณ1ิปีเนี่ยนะหมายว่าขาลงนะลงลงล ง, ล ง, ล ง, ลงสิบปีอ่าสิบปีตายห้าปีแต่างงานแล้วเนี่ยนะจนแล้วก็เสื่อมสุดๆดแล้วก็ตายกันเกลื่อนเมืองไปหมดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนอายุนับไม่ถ้วนแล้วก็ลดลงมาจนถึงสัตว์มีอายุประมาณสองหมื่นปีพระศาสดาพระนามว่ากสปะผู้ ปกครองมนุษย์เป็นอันมากก็อุบัติขึ้นในโลกพระกสปะพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะสร้างบารมีมาแล้วแปดอสงไขยแสนกัปเนีย่ยนะสร้างบารมีสิบอุปรปารามีสิเป็นต้นเนี่ยจนได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนหมดอายุไขจุติจากนั้นก็ปฏิสนธิในคันของพรามณีชื่อว่าธนวดีผู้มีคุณอันไพบู์ เป็นพยาของพราหมณ์ชื่อว่าพรหมทัต์กรุงพาณิชย์พระโพธิสัตว์อยู่ในขันครบสิบเดือนก็คลอดจากขันพระชนนีณป่าอิสิ ป, ปตนะมิขะทายวันโอ้ไปสถานที่เนี่ยถ้าได้อ่านตรงนี้ไม่ได้สนใจอ่านเยนะตอนนั้นเนี่ยแเสียดายเดี๋ยวไปใหม่แบบปีหน้าไปใหม่งั้นแหมลืมแนละ้วปีนี้ไปตั้งสามครั้งแล้วเนี่ยลืมนึกที่จริงไม่ใช่ไม่อ่านเจอนะอ่านเจอแต่ว่าไม่ได้นึกเลย ไปครั้งนี้ก็ไม่นึกนะเนี่ยต่อไปเดี๋ยวนึกว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าประสูติที่ป่าอิสิปตนะนะอย่างงี้ยนะเดี๋ยวใครที่จะไปก็อย่าลืมว่าเออไหวพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ประสูติที่ป่าอิสิปตนมัมนฤกษ์ทายวันนะนะเสร็จแล้วหลังจากที่พระองค์ประสูติหรือคลอดออกมาแล้วพระองค์ก็มีพระนามเรียกกันตามโคดว่าพระองค์เกิดในโคดกัสปะในี่นเรียกว่ากัสปะกุมารหรือว่ากัสปะโคด พระองค์นั้นครองค า, ารวาสวิสัยอยู่ประมาณ 2,000 ปีมีปราสาทสามหลังชื่อว่าหังสวายสวาและก็สิรินันทะปรากฏมีหญิงคอยรับใช้โดยทั่วไปประมาณ 48,000 นางมีนางสุนันทาพรามณีเป็นประมุขอันนั้นก็ครองเรือนจนได้มีลูกคือธรรมเนียมมีว่าพระโพธิสัตว์ต้องเห็นหน้าลูกก่อนจึงออกบวชเนี่ยนะก็คือประกาศว่าท่านก็คือมนุษย์ปกติคนหนึ่งเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์อัศจรรย์ก็ว่างั้นเถอะ ท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีภรรยามีครอบมีครัวครองบ้านครองเรือนท่านก็เห็นอะไรคล้ายๆเรานี่แหละแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญสะสมบุญมาน้อมไปเพื่อที่จะเห็นอริยสรจเพราะฉะนั้นท่านเห็นเห็นลูกของท่านท่านก็สลดใจถามว่าท่านรักไหมเขาบอกว่าได้ข่าวว่ามีลู ก, กบอกว่าความรักของพ่อจดเยื่อในกระดูกเขาบอกงั้นเสร็จแล้วก็บอกก็แต่ท่านก็คิดนะบอกโอ้นี่ลูกคนเดียวนะอย่างขนาดนี้เถ้ามีเยอะจะขนาดไหน เสร็จแล้วก็เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนตายเป็นต้นก็สนักใจว่าเออถึงเขาจะแก่เขาจะตายแต่เขาก็ไม่รู้พระนิพพานเป็นที่พ้นจากความแก่และความตายสังเวชสลดใจเพราะเห็นนักบวชว่า น, นี่แหละช่องทางบัถ้าเราบวชเราจะได้มีเวลาวิจัยพิจารณาจะได้เห็นทำเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพอพระองค์คิดจะบวชเท่านั้นแหละปราศาสตร์ก็หมุนเป็นเหมือนจับแห่งแป้นภาชนะดินหมุนเลย ลอยขึ้นสู่ท้องนภาากาศอันคนหลายร้อยเวดล้อมดุดดวงรัชนีกรในฤดูศาสตร์เป็นนะที่เป็นกลุ่มทำความงามอย่างยิ่งแห่งหมู่ดาวเวดล้อมแล้วนะปราสาสตรนั้นก็ลอยไปเหมือนกับประดับท้องนภากาศประหนึ่งประกาศบุญญาณุภาพบอกบุญว่าเจ้าของปราสาทตนี่มีบุญมากเหมือนดึงดูดดวงตาดวงใจของชนเหมือนทำยอดไม้ทั้งหลายให้งามอย่างยิ่ง ปร า, าสาทก็หมุนไปลอยที่ต้นโพพฤกชื่อว่าต้นนิโครหรือต้นไทรตรงกลางแล้วก็ตั้งเหนือแผ่นดินครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นผู้เป็นมหาสัตว์แปลว่าสัตว์ผู้ใหญ่หรือผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะยืนอยู่ที่แผ่นดินพระองค์ก็ถือเอาผ้าธงชายแห่งพระอาหารหันต์ที่เทวดาคือพระอนาคามีจากสุทาวาสเอามาถวายพระองค์ก็ผนวดฝ่ายผวกหญิงคอยรับใช้ทั้งหลายก็ลงจากปร า, าสาท เดินทางไปเครื่องขาวุธพร้อมด้วยบริวารคือฝ่ายพระองค์เองก็ลงจากปร า, าสาทก็ไปนะเสร็จแล้วก็ไปนั่งทำให้เป็นประดุจค่ายของกองทัพจากนั้นคนที่มาแล้วก็พากันบวชหมดเว้นแต่พวกหญิงรับใช้ทั้งหลายนั่นนะไม่บวชและยินว่าพระมหาบุรุษอันชนเหล่านั้นแวดลอ้อมแล้วก็บำเพ็ญเพียรเจ็ดวัน ในวันวิสาขบาูรรมีสเสวยข้าวม า, ปป า, าทูาททาาานะาปายาที่นางสุนันทาพรามณีถวายแล้วพักอยู่ณกลางวันป่าตะเคียนนางสุนันทาพรามณีที่ถวายอาหารเนี่ยนะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกมเฮสีนั่นแหละในหลังจากที่พระองค์เนี่ยนะสเสวยข้าวมาทูปายาที่นางสุนันทาพรามณีเนี่ยนะ ถวายแล้วก็พักกลางวันอยู่หน้าป่าตะเคียนเวลาเย็นก็รับหญ้า8ดกำรรที่คนเฝ้าไร่เข้าเหนียวชื่อว่าโสมะถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าไปยังโรพพฤกช์ชื่อว่าต้นนิโครดลาดหญ้าที่กว้างยาวประมาณ15บ้าซอกเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือสันทัศน์นั้นบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณเรียกว่าการตรัสรู้อย่างยิ่งยิ่งกว่าพระประเจกพะพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระสาวกทั้งมวลแป่งอุทานว่าอเนกชาติสังสารังเป็นต้น พระองค์ก็ยับยั้งพักอยู่บริเวณใกล้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะก็ถ้าใครที่ไปที่โพที่มันถ้าสถานสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เราเรกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโกนาขมมะนะพระพุทธเจ้ากากุสันทะก็ประทับตรัสรูนะ้ณสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะ พระองค์เห็นอุปนิสัยหลังจากที่ยับยั้งอยู่บริเวณที่ตรัสรู้พิจารณาธรรมในที่สุดวันสัปดาห์ที่เจ็ดผ่านไปพรมก็มาราธนาพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยสมบัติของมนุษย์ของพิสุประมาณเท่าไหร่ที่ออกบวชพร้อมกับพระองค์อันคนหลายร้อยแวดล้อมเนี่ยนะหลายร้อยไอคำว่าหมื่นโกดตัวนั้นเนี่ยรวมทั้งเทวดาเป็นต้นด้วยเนี่ยนะ หลังจากนั้นพระองค์ก็ถามว่าพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยไปรอพระองค์อยู่ที่ไหนคือคือตอนที่พระองค์บำเพ็ญเพียรเนี่ยเหล่าภิกษุเหล่านั้ น, น, นเนี่ยพากันไปอยู่ที่ปา่าอิสิปตนะหมดพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ไปแสดงธรมรมาจักที่ปา่าอิสิปตนะมฤุกขายวันเนี่ยนะอ่าที่กรุงพารณสีพระองค์อันภิกษุเหล่านั้นแวดล้อมแล้วก็ประกาศพระธรมรมาจักณณอิสิปตนะมฤุกขายวันนั้นแหลอันนี้เป็นธรรมมาพิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มี ผู้ตรัสรู้ประมาณสองหมื่นโกดนะนี่ผู้ตรัสรู้ตามมากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสเล่าในขัตถพุทธวงศ์ว่าต่อมาจากสมัยพระโกนาคามนาพุทธเจ้าก็มีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าผู้เป็นพระราชาแห่งธรรมผู้ธรำภารศมาิเรือนแห่งสกุลมีข้าวน้ำโภชนะเป็นอันมากพระองค์ก็สละเสียแล้ว ส่งให้ทานแก่ยาจกทั้งหลายยังใจให้เต็มแล้วพระองค์ทําลายเครื่องผูกดุดโคอุสะพะพังโคฉะนั้นเรียกว่าทำลายโคออกไปะนะฉะนันใดพระองค์ก็บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันอุดมฉนั้นเป็นสัมโพธิญาณที่สูงสุดเมื่อพระกัสปะสัมมาสัมโทธเจ้าผู้นําโลกประกาศพระธรรมจากอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์จํานวนสอง0 0ื่นโกศ เล่ากันมาว่าตระกูลหรือเรือนสกุลของพระโพธิสัตว์นั้นนะนะมีกองทรัพย์หลายพันโกดมีโพค่าเสมือนเท้าสักกระนะนะเรียกว่ารวยเหมือนกับพระอินว่างั้นแล้วแต่ละอย่างก็สละได้แสนย่าแต่ท่านก็สละมรดกเหล่านั้นสละทรัพย์เหล่านั้นก็เหมือนกับทิ้งหญ่าทิ้งเศษย่านะเคเอาญ่าไปทิ้งไหมเวลาตัดญ่าเสร็จตัดกิ่งไม้เสร็จเอากิ่งไม้ไปโยนทิ้งฉันใดท่านก็ไม่อะไรอาวร์ในทรัพย์ฉันนั้น เหมือนโคอุสภะที่ทำลายโคกไปแล้วปราถนาจะไปไปอย่างที่ตัวเองต้องการชันใดพระมหาบุรุษทำลายเครื่องผูกคือเรือนเสร็จแล้วพระองค์ก็บรุพระอภิสัมโพธิยานได้แล้วต่อมาอีกเมื่อพระาศาสดาเสด็ จ, จาริกไปในชนบทอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณหนึ่งมโกรธเสร็จแล้วพระองค์ก็ทำย ม, มากาปาติหารที่โคนต้นประดูใกล้ประตูสุนทรนครแสดงธรรมอันนี้เป็น อภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งที่สประมาณ 5,000 ันโกด ต, ต่อมาอีกพระองค์ทมยมกะปาติหารแล้วประทับนั่งนะเทวสภาชีวสุดรรมาในภพดาวดึงซึ่งยากนักที่ข้าศึกของเทวดาคืออสูรจะครอบงำได้เมื่อพระองค์แสดงอภิธรรมปิดกเจ็มคำพีเพื่ออนุเคราะห์เทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุมีธนวดีชนนีพระพุทธมารดาของพระองค์เป็นประมุก ยังเทวดา3 0 0พันโกธให้ดื่มอมตะธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกไปในเทวโลกไปในโลก4เดือนอภิสมัยได้มีแก่สัตว์ 1,000 0โกดเนเที่ยวไปในโลกหมายความว่าจาริกไปตามชนบทต่างๆส ำ, สำหรับครั้งที่พระองค์แสดงย ม, มะกกปาฏิหารประกาศพระสัพพัญยุตยานอภิสมัยครั้งที่3มได้มีแกเทวดา 5,000 โกด พระชินะพุทธเจ้าประทับนั่งณนะธรรมสภาชื่อวสุธรร ม, มานาะเทวโลกชั้นดาวดึงอันน่ารื่นรมประกาศพระิธรรมยังเทวดาสามพันโกฎให้ตรัสรู้อีกครั้งหนึ่งพระองค์แสดงธรรมโปรดนระเทวยักอภิสมัยได้มีแกสัตว์เหล่านั้นจำนวนนับไม่ได้เลยนะส่วนนระเทวยักเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาในมาดูว่า เล่ากันมาว่ามียักษ์คนหนึ่งชื่อว่านารเทพนาราเทพเทวเหนือมนุษย์เหมือนเทวดาของพวกมนุษย์น่ะนะผู้เป็นนรเทพผู้มีอนุภาพและเป็นผู้พิชิตคือได้รับชัยชนะทุกทิศซึ่งมีศักย์ใหญ่และมีฤทธิ์มากเหมือนนาราเทพยักษ์ที่กล่าวมาแล้วในหุ่นหลังนารนานรยักษ์เทพยักษ์ Doo, นั้ น, แ, บบ น, นแปลงตัวเป็นพระราชาในเมืองเมืองหนึ่งในชมพูทวีป ทั้งรูปร่างสวดทรงซุม้มเสียงท่วงท่าทีลีลาเนี่ยนะก็เหมือนกับพระราชาตัวจริงทุกประการเสร็จแล้วก็ฆ่าพระราชาองค์จริงแล้วก็กินเสียปฏิบัติราชกิจนะปฏิบัติราชกิจเช่นกับพระราชาทั้งในสํานักหมดทําตัวเป็นพระราชาทุกประการ<ช>พระองค์เนี่ยปโปรดในการเสวยเนื้อโดยไม่จํากัดจํานวนมีเท่าไหร่กินได้หมดะนะ<ช>เป็นเรียกว่านักกินมาเกิดเลยนะ บอกว่านักกินยังไงก็สู้นักกินญี่ปุ่นไม่ได้ว่ากินเมนูอาหารจีนร้อยกยว่าเมนูภายใน3วั น, น, ห น, นเหมือนะภายใน3วันน้ําหนักขึ้น7จกิโลเสร็จเลยนะภายใน3าวันในท้องเลยแทบปรีเลยนะกิ น, นกมาเกิดจริงแล้วนะกินกินกะินกินเสร็จก็หลับหลับเกิดมากินต่อเลยนะรู้กระเพาะลำไส้ทําจากอะไรไม่ทราบอนะันนี่ก็เหมือนกันเป็นพระราชาที่กินเนื้อโดยไม่จํากัดปริมาณ เล่ากันมาว่านรเอ่อครว่านระเทวยกักนั้น่ะเป็นนักเลงผู้หญิงด้วยคาใด า, ส ต, า, ดาสตรีพวกที่ฉลาดเฉลียวรู้เขาว่าผู้นี้ไม่ใช่พระราชาของเรานั่นมนุษย์ผู้ฆ่าพระราชากินเสียจแล้วคราวนั้นเขาก็ทำเป็นอายกินสตรีพวกนั้นหมดนะกินซะหมดวางแล้วก็ไปเมืองอื่นอีกด้วยประการชน้นระเทวยกักนั้นกินมนุษย์เสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปยังไปทางสุนทรนคร พวกมนุษย์ชาวนครเห็นเขาถูกมรณะภัยคุกคามก็สะดุ้งกลัวพากันออกจากนครของตนแลว้วก็หนีสมสารไปครั้งนั้นพระกสปะทศพลเห็นพวกมนุษย์พากันหนีไปก็ประทับยืนประจันหน้านรเทวยักนั้นนรเทวยักครั้นเห็นพระเทพแห่งเทพคือพระพุทธเจ้ายืนประจันหน้าก็แผดเสียงกัมปนาดดุดันร้ายกาดเนี่ยนะเขาเรียกว่าทําอาการทุกอย่างนะแต่ก็ไม่อาจให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดความกลัวได้ ในที่สุดนะทำยังไงก็สู้พระองค์ไม่ไหวก็เลยถึงพระองค์เป็นสารณะเขามีความคิดเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าคนที่ล้มลงบนแผ่นดินก็เอามือนั่นแหละค้าแผ่นดินยืนขึ้นใหม่นี่ก็เหมือนกันเราด่าพระพุทธเจ้าขูพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่กลัวเราก็นับถือพระพุทธเจ้าจะเป็นไรก็เลยนับถือพระพุทธเจ้าเลยถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเสร็จแล้วก็ทูลถามปัญหาเมื่อพระองค์วิสัชนาพระองค์ก็ฝึกเขาเนี่ยนะฝึกให้ในสมถาวิปัสสนาแสดงธรรมให้แก่เขาฟัง อภิสมัยได้มีแก่มนุษย์และเทวดาที่มาประชุมณสถานที่นั้นเกินที่จำนวนนับได้ดังที่ที่กล่าวไปแล้วนะว่าอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมตอนที่พระองค์โปรดนระเทว ย, ยักนั้นหาประมาณมิได้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวัสปะนั้นมีสาวกสันิบาตครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยนะในสมัยที่บุตรปุโรหิตในกรุงพาราณสีชื่อว่าติดสะ เขาเห็นลักษณะสมบัติของพระศรีระของพระกัสสปะโพธิสัตว์ฟังบิดาพูดคือพ่อของของติสสะคนนี้นะลาวาเนี่ยพระผู้นี้กุมารคนนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก็เลยคิดว่าท่านผู้นี้จะต้องออกพิเนสกรมเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยจําเราจากบวชในสํานักของพระองค์เพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์เสร็จแล้วก็อยากเข้าไปยังป่าหิ ม, มาพานต์ที่มีหมู่มุนีผู้บริสุทธิ์บวชเป็นดาบด เป็นฤาษีที่มีดาบดเป็นบริวารสองหมืต่อมาภายหลังพอฤาษีคนนี้ทราบข่าวว่ากัสปะกุมารอภิเิษฐสกรมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพร้อมด้วยบริวารมาบวชเป็นเอหิภิกขุบรรตปชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะเสร็จแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงในวันมาฆบุรีในสมาคมนั้น เพราะฉะนั้นก็กล่าวกันว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งเทพก็เรียกว่าเทวดาในหมู่เทวดาพระองค์นั้นเนี่ยนะมีสาวกสันนิบาตการประชมพระอรหันตสาวกผู้ขี่นาศบร้มนทินคงที่ครั้งเดียวครั้งนั้นสันนิบาตการประชมภิกษุสาวกผู้เป็นขี่นาศล่วงอารยบุคคลระดับอื่นเสมอกันด้วยหิริและศีลเนี่ยประมาณ สองหมืรูปเนี่ยสองหมื่ ร, มรูปนะสาวกสันนิบาตของพระพุทธเจ้ากัสสปะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นมานพชื่อวโชวติปาระจบไตรเพศมีชื่อเสียงในการทํานายลักษณะพื้นดินและลักษณะอากาศเป็นสหายของคติการาอุบาศกช่างหม้อโชติปาระมานพนั้นเข้าไปเฝ้าพระาศาสดา พ, พร้อมกับคติการาอุบาศกนั้นฟังธรรมกถาของพระองค์แล้วก็บวชในสํานักของพระองค์พระโพธิสัตว์นั้น ปรารบความเพียรเล่าเรียนพระไตรปิฎกอย่างพระพุทธศาสนาให้งอกงามด้วยการปฏิบัติข้อวัดใหญ่น้อยพระศาสดาพระองค์นั้นก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าว่าอะไร <c oughs> ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะแต่ว่ารายละเอียดที่พระพุทธเจ้าเล่าว่าเราเป็นมานพปรากฏชื่อว่าโชติปาละเป็นผู้คงคงแก่เรียนทรงมนจบไตรเพศถึงฝั่งในลทัทธิธรรมของตนในลักษณะาศาสตร์และอิติบาท อณหาศาสตร์ฉลาดในลักษณะพื้นที่ดินและอากาศสําเร็จวิทยาอยู่อย่างสมบูรณ์อุปถากของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะชีวคติการะผู้เป็นเป็นผู้น่าเคารพน่ายำเกรงอันพระกัสปะพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ในอริยผลที่สก็คือคติการะเพื่อนของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีผู้นี้แหละที่เอาผ้ากาสาวพัดมาถวายพระพุทธเจ้าวันออกบวช ที่แล้วก็รับเอาภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสร้างเจดีไว้ในพรหมโลกเนี่ยนะคติการะอุบาสกเนี่ยนะก็พาพระโพธิสัตว์เข้าไปเฝ้าพระกัสสปชินะพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไปฟังธรรมของพระองค์เสร็จแล้วก็บวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเราปรารบความเพียรฉลาดในข้อวัดน้อยใหญ่จึงไม่เสื่อมคลายในที่ไหนๆยังพระาศาสนาของพระชินเจ้าให้เต็มบริบูรณ์ เราเล่าเรียนระวาังค่าาสตุสศาสตร์คือพระไตรปิฎกอันเป็นพระพุทธดำ ร, รัสตลอดทั้งหมดโอ้เก่งมากเลยนะเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วก็จำได้หมดทรงยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งามนนะก็ช่วยปฏิบัติให้งดงามแล้วก็ช่วยให้ผู้อื่นได้รับรู้ในข้อปฏิบัติที่ดีและถูกต้องพระศาสนาจึงงดงามในอธิศีอธิ จ, จิตและอธิปัญญาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเห็นความ หน้าอัศจรรย์ของพระโพธิสัตว์ก็พยากรณ์ว่าในพัทกาลนี้ท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้รับฟังพุทธพยากรณ์จิตที่เลื่อมใสก็เลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดหนักแน่นขึ้นบำเพ็ญบารมีสิบให้บริบูรณ์เพราะไม่นานแล้วหนอเนีย่ยนะไม่นานภายในพุทธันดรเดียวกันเนี่ยนะตอนนี้พระองค์ตัดสรู้ไปแล้วไม่นานหนอ กระปาริณิพุตมปิตังพักวันตังสารนังทตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานยังไม่นานหรือบ้างเรนนืนานแล้วนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังขอให้การปฏิบัติทุกอย่างที่ปฏิบัติแล้วจงเป็นไปเพื่อ ทำที่สุดแห่งวัตทุเนี่ยนะก็คือทําให้แจ้งมรรคผลนิพพ า, เพาะะนเผลของเราบอกพระ อ, องค์ปรินิพพานไปแล้วไม่นานแต่ถ้าพูดถึงว่าเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยตอนที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์บอกอีกไม่นานนะข้างหน้าต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระโพธิสัตว์นั้นหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะชาตินั้นก็ศึกษาปฏิบัติธรรมเต็มที่ก็เกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกก็มาเป็นเท้าสักกะ มาเป็นเท่าสักกะก็มาตอนปลายปลายศาสนาพระพุทธเจ้ากัดส ป, ปะอีกครั้งหนึ่งแปลงมาเป็นนายพรานมีหมาตัวใหญ่ตัวดําเมื่อมันเลยนะยังในการหาชาด ก, ก น, นะชาดกมาหนึ่งนะท่านก็มาตอนปลายปลายศาสนาที่ตอนที่าศาสนาเละเทะลงมาเหมือนกันนะตอนที่พ ร, พระพระโพธิสัตว์ก็ลงมาแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดจากภพหนึ่งสู่ภพบหนึ่งอยู่นานนะอยู่นานมากเลยนะเป็นกระต่ายเป็นอะไรเนี่ยระหว่างเนี่ยนะเกือบจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังกลายไปเป็นสัตว์เล็กบ้าง เพราะว่าแมคติของผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจนี่มันยากเหมัอนันนะขนาดผู้ที่สร้างเจดีทองของพระพุทธเจ้าชาติหลังบางบางคนก็ยังมาเกิดเป็นในพรานเลยพระโพธิสัตว์ก็ยังบางทีก็ยังตกต่ำเลยผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเพราะเราไม่ได้คบบัณฑิตตลอดเวลาใช่ไหมเราไปคบคนพรานนั้น เ, เรียกว่าคบคนพรานก็เหมือนกับใบใบไม้ใบคาใบหญ้าใบอะไรที่ไปห่อปลาเน่าแล้วก็เปื้อน ถามว่าถ้าไปเจอเขาโกรธเรามากเลยนะเรายิ้มขอให้มีความสุขนะขอให้ใหายโกรธเร็วๆ เ, เราคิดอย่างนี้ไหมวุ้ยเราโกรธกับเขาคูณ2อ่างนั้นนะแหะแหมรู้จักเราน้อยไปอย่างนี้หร่าเปล่านะโดยมากก็อย่างนั้กกนแหละเขามีแต่เพิ่มกับเขาเนะเพิ่มปริมาณความร้อนรแรงเพราะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเจอคนที่เป็นอกุศลเนี่ยนะบอกแม้เจอเขายกมีดจะฆ่าเราเราฆ่าเขาตั้งนานแล้วเนี่ยนะนะเป็นต้นเนะี่ยเพราะทำโอ้ยเก่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นประเภทนี้แหละนั้นจะไปไหนใช่ไหม อบายก็เหมือนบ้านเราเนี่แหละลก็เลยท่องเที่ยวแต่ถึงอย่างนั้นว่ารวมๆแล้วพระโพธิสัตว์ก็เว้นจากความประพฤติชั่วอาจารย์ความประพฤติชั่วทางกายวาจาและใจพระองค์ทากิจกรรมแต่ละอย่างกิจคือการสร้างบารมีแต่ละอย่างที่ทำได้ยากเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณอย่างเดียวนะก็เลยได้รับพุทธภกร์ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับพระกสปะพุทธเจ้าอีกว่าพระองค์นั้นเกิดที่เมืองพารณสีที่เมืองพารณสีมีกษัตริย์ปกครองชื่อว่าพระเจ้ากิกีหรือว่ากิงกิหรือว่ากิกิกนะแล้วแต่จะเรียกฝ่ายพระองค์นั้นเกิดในตระกูลพรามตระกูลใหญ่ในในเมืองพารณสีพระกสปะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระพุทธบิดาเป็นพรามชื่อว่าพรหมทัต มีพระชนนีพุทธมารดาเป็นพรามณีชื่อวัฒนวดีพระองค์เนี่ยนะพระกสปะพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่มีอักรสาวกชื่อว่าพระติดสะและภาระทวชะมีพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระสัพพมิตะอักรสาวิกาชื่อว่าอนุลาและอุรุเวลาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นนิโครต้นสายพระองค์มีอักระอุปถา ชื่อว่าสมังคละและคติการะมีอักระอุปถายิกาเชื่อว่าวิชิตเสนาและพัทธาพระองค์นั้นสูง2ีศอกเหมือนสายฟ้าอยู่กลางอากาศเหมือนพระจันทเพนทรงกลดพระกสปะผู้เจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมายุสองหมื่นปีพระองค์จึงมีพระชนพระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะ พระองค์ได้ทรงสร้างสระคือบ่อน้ําธรรมบ่อน้ําคือปริยัติธรรมนะบทว่าธรรมะกาตาตะลาการเนี่ยมายิตวาคือสร้างสระคือปริยัติธรรมพระองค์สร้างปริยัติธรรมก็คือสร้างปิดกสามสร้างนิกายห้าสร้างคําสอนประกอบไปด้วยองค์9้าสร้างพระธรรมแปดหมพันระธรรมขันัญเสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานเครื่องรูปไร้คือจตุปาริสุททิศีลสร้างศีลขึ้นมา มีเครื่องผ้านุ่งห่มเป็นธรรมคือฮิริโอตตะปะแจกมาลายธรรมคือโพธิปัจขยธรรมเอาไปคล้องนะเอาโพธิปัจขยธรรมไปคลอ้องหลังนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็วางธรรมะอันไร้มนทินเป็นกระจกเอาไว้ให้มหาชนที่ปรารบพระนิพพานดูว่าเนี่เป็นเครื่องประดับของเรากระจกอันนั้นก็คือโสดาปฏิมักให้ดูว่าเนี่นะผู้ที่ได้โสดาปฏิมักเห็นพระนิพพานและจะมีเครื่องประดับเช่นนี้เช่นนี้ เสร็จแล้วพระองค์ก็ประทานเสือ้อเอกราะเสื้อคือศีลศีลห้าศีลสิบจตุ ป, ปาริสุททิศีลผูกสอดเกราะคือฌานทั้งฌานในจตุกนัยปัญจกะในให้ห่มหนังหนังหนังเสือก็คือให้ห่มด้วยสติสัมปชัญญะประทานเกราะชั้นเยี่ยมคือวิริยะประทานสติประทานสี่เป็นโลกประทานยานอันคมกริบคือวิปัสนาญาณ ประธานถ้รทำอันเป็นถ้าขันอย่างดีคือมัคคปัญญาให้ศีลเป็นเครื่องย่ำยีการคลุกคลีก็คือโลกุตระศีลเป็นการย่ํำยีการคลุกคลีด้วยกิเลสประธานวิชาสามเป็นเครื่องประดับสามัญญผลสีเป็นมาลัยสวมศีรษะประทานอภิญญาหกเป็นอาภรณ์เครื่องประดับนะให้โลกุตระทำสี่เป็นเครื่องประดับขอไปให้โลกุตระทรเก้าเป็นดอกไม้เครื่องประดับ ในที่สุดพระองค์และพระสาวกประธานพระสัทธรรมอันเป็นฉัดขาวก้านบาปเนรมิตรดอกไม้คือทางอริยมรรคอันประกอบปไปด้วยองค์8ที่ไม่มีภัยเสร็จแล้วก็ดับขันทปรินิพานก็นั่นพระสัมมาสัมพุทธผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้อันใครเข้าเฝ้าได้ยาก นั้นคือพระธรรมรัตนะที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วควรเรียกให้มาดูนั่นคือพระสังครัตนะผู้ปฏิบัติดียอดเยี่ยมทั้งนั้นก็อันตรธานไปสิน้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แทนนะ้ผู้ทังสรนังข้าฉามิก็จะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระพุทธ ร, รัตนะก็หายไปจากโลกพระธรรมรัตนะก็ไม่มีคนบอกพระสังค ร, รัตนะท่านเหล่านั้นก็ปรินิพานสังขารทั้งหลายก็ ว่างเปล่าแน่แท้เอกไม่นานศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็จะอาวาสานเช่นกันนะนะยังไงยังไงก็อย่าอาวาสานจากใจเราก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะปัญหาศาสนายังอยู่แต่ใจเราจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจบอะไรบอกก็จบเพลงไงว่าอากุศลมันเกิดทั้งนั้นเลยนะวันวันหนึน่งคิดถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวที่เหลือคิดถึงผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหมดเลยอย่างงี้ยวันวันหนึง่งคิดถึงคําพระพุทธเจ้าได้ไม่กี่ประโยคแต่นะั้นนิดเดียวคิดถึงคําของคนอื่นหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็ยาก มันก็เสื่อมจากศาสนาตั้งนานแล้วถึงศาสนาจะอยู่แต่อะไรนะเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันก็ยังส่องแสงอยู่แต่แม้ตามันเสียไปแล้วเนี่ยนะทำอะไรได้นะนะมันก็รักษาบอกเวลานี้พระศาสนาก็บ่ายคล้อยมาแล้วชีวิตของเราก็เลื่อนเลื่อนคลอยมาแล้วมันก็ไม่อย่างอันนี้ก็เดี๋ยวก็บอดตาใสในที่สุดก็บอดจริงด้วยเนี่ยผู้ศาสนาก็ไม่มีไม่ ม, ม, มีทั้งแสงตาก็บอด โอ้ยไปกันใหญ่เลยนะสังสารวัตรเนี่ยนะปลาที่อยู่ในถ้าลึกๆเนี่ยไม่มีตาแสงสว่างก็ไม่เคยเห็นเมื่อไม่มีแสงก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตาก็เป็นปลาพวกปลาตาบอดเนี่ยนะเป็นปลาที่ไม่มีตาอยู่ในถ้าในถ้าลึกๆเนี่ยนะในถ้าลึกๆเนี่ยเป็นปลาที่ไม่มีตาแล้วก็ฉาให้ดูแล้วว่าไม่มีตาจริงๆมันอยู่ในเป็นแบบเป็นถ้เนีเ่ยนะมันมีน้ำเย็นแล้วก็ใสแต่พวกนี้มันมืดมิดเลย เขาก็เอามาดูว่าเออมันไม่มีตาจริงๆปลาพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นปลาตาบอดเนี่ยนะแต่ว่าร่างกายเป็นอย่างอื่นเนี่ยนะร่างกายเป็นมนุษย์แต่ตาบอดบอดด้วยปัญญานี่ก็โอยน่าสงสารนาเหอนัันตอนท้ายบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปะหลังจากที่พระองค์ดับขันทัปปรินิพานณเสตตะพยาอุทยาใกล้เสตตะพยะนะครเควนกาสี เล่ากันมาว่าพระบรมสารีริกรธาตุของพระองค์ไม่กระจัดกระจายแพร่หลายมนุษย์ทั่วชมพูทวีปเมื่อสร้างก็ใช้มโนศิลาหินอ่อนแทนดินนะก็เจดีหินอ่อนก็เยอะนะทุกวันนี้เจดีหินอ่อนก็เยอะใช้น้ำมันเทแทนน้ำเพื่อก่อภายนอกเป็น อันในะส่วนภายนอกก็บูด้วยอิฐทองแต่ละแผ่นมีค่าเป็นโกธวิจิตด้วยรัตนะนะเพื่อทําภายในให้เต็มอิฐทองแต่ละแผ่นมีค่าเครื่องโกธช่วยกันสร้างเป็นสถูปสูงหนึ่งโยศแม้พระกัสปะผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทํากิจทรงกระทําประโยชน์เกือ้อกูลแก่สรรพสัตว์อย่างเดียว น, นะพระองค์เนี่ยหลังจากที่พระองค์ทํากิจของพระองค์เสร็จแล้วชีวิตที่เหลือของพระองค์ก็ทํากิจเพื่อประโยชน์แก่ สัพพสัตเมื่อพระองค์ทำความร่าเริงให้แก่โลกพระองค์ก็ประทับอยู่ประจำโดยมากก็ที่กรุงพารณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็อันตรธานสูญสิ้นแม้กระทั่งที่ที่บรรจุเจดีก็มีพราหมณ์คนหนึ่งไปกราบไปไหวเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้แล้วอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ แต่ว่าไม่เที่ยงไม่ฟังเนี่ยอู้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะแต่ถ้าตายแล้วตกนรกเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแบบนี้น่าสนใจไหมบอกไม่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละไอ้ไม่เที่ยงนี่มันแล้วแต่นะตายจากมนุษย์ไปสู่ที่ไหนไอ้ไม่เที่ยงนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องดีขึ้นเสมอไปไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นมันสิ่งใดไม่เที่ยงเนี่ยนะถ้าหากว่าเราประมาทก็ไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนี่มันมีอยู่สองกลุ่ม ไม่เที่ยงส่วนที่พาไปเลวกับไม่เที่ยงที่ทําให้เจริญขึ้นสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างพวกเด็กๆนี่มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ค่อยโตขึ้นแต่พวกคนกลางคนก็ไม่เที่ยงแต่ก็ค่อยแก่ลงนะนะมันก็อย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แล้วในที่สุดก็จากบุญกุศลที่ได้ฟังพุทธวงศ์ประวัติพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลคุณงามความดีเหล่านี้ก็เป็น ขอจงเป็นปัจจัยให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้ตรัสรู้อริยสัจตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุโมทนาชาวนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน